ฟังเทศฟังธรรมฟังคำพูดคำบรรยายเป็นความหมายอันเดียวกันแต่คำพูดนั้นมันหลายคำวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2529พวกเราเป็นคนไทยถือศาสนาพุทธคำว่าศาสนาพุทธกับพุทธศาสนานี่มันสลับสับซ้อน แต่บางคนก็เข้าใจดีบางคนก็ยังไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจนั้นเห็นเขาทำก็ทำไปแล้วมีความหมายอย่างไรก็ไม่รู้บางคนบางคนก็ทำเพื่อความเข้าใจทำด้วยสติปัญญาการรู้การเห็นการเข้าใจจึงไม่เหมือนกันคนเราจรึงต้องอาศัยการฟังฟัง ผบาาจารย์หรือท่านผู้รู้มาพูดให้เราฟังแล้วก็จดจำเอาไว้อย่างที่เราจะพูดวันนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการให้ทานการรักษาศีลการให้ทานการรักษาศีลไม่มีมาก่อนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางไม่มีในโลกการให้ทานการรักษาศีลการทำสมถะกรรมฐานนี้มีมาก่อนแล้ว แต่คำว่าวิปัสสนานี่ยกลมันมีซื้อมันก็มีมาอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่มีผู้เข้าใจอย่างแจ้งแจ้งเราเคยได้ยินได้ฟังมาอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการทํากรรมฐานจนได้สมาบัตแปดพุ่นอันนั้นก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาเท่านั้น พุทธศาสนานี่หมายถึงการรู้แจ้ ง, จงเห็นจริงตามความเป็นจริงคําว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็คือเห็นตัวเราที่เองเห็นตัวเราในรู้แจ้งเห็นจริงเป็นจริงอย่างนี้เราคนเนี่ยเราเห็นได้แต่เพียงรูปกายภายนอกเท่านั้นแต่ส่วนลึกเข้าไปทางจิตใจนั้นไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเคยถามไปที่ไหนมา ไปยังไงมายังไงบางคนก็ไปที่นั้นที่นี่มาบางคนก็ไปมาแล้วมีความทุกข์ความเดือดร้อนนี่บางคนก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนี่ไปไปเหมือนกันแต่ความทุกข์ไม่เหมือนกันคนที่มีทุกข์นั่นหมายถึงคนบม่เข้าใจในความเป็นคนหรือไม่เข้าใจในพุทธศาสนานั่นเองคือเป็นทุกข์เมืม่อคนไทยถือศาสน า, าพุทธกคน็มีนะเป็นจำนวนมากคนมีทุกข์ เรียนมือซื้อมากๆจนได้เป็นปริญาตีปริญาโทปริยาเอกทุกคนมีก็เพราะเราเรียนมุ่งหวังไปตั้งแต่การทําการทํางานคิดมุ่งหวังแต่ตั้งแต่อาสีพเรียนจบแล้วจะไปทํางานอะไรจะได้เงินเดือนยังไงคิดไปแต่ยังไงเลยไม่ได้เห็นห่อมคิดตัวเองเมื่อไปทําการทํางานแล้วก็มีหัวหน้างานพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้างดีใจเสียใจเป็นทุกข์คนผู้อย่างนั้นก็มีบางคนไปทำการทำงานไม่ทุกข์ไม่หยดร้อนใครจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทำการทำงานโดยก็ไม่มีทุกข์างนั้นก็มีบางคนทำการทำงานหวังเงินเดือน่นั้นก็มีไม่เหมือนกันดังนั้นจึงอาศัยการฝังท่านผู้รู้แต่พวกเราก็ เรจ่องกาจดจำตามคําพูดคําสอนของครูบาอาจารย์เราให้ฟังหรือเราต้องปฏิบัติเองกางปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาแก้ทุกนี้เองแต่คนไม่มีทุกแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายไม่เดือดร้อนอยนะ้นอย่ ม, มุษยให้ฟังคนเราในบางคนเป็นคนบางคนเป็นมนุษย์บางคนเป็นเทวดาบางคนเป็นพระอินทร์พระพรหมไปอย่างนั้น บางคนถึงกับเป็นพระเดียเจ้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นคนหน้าตาแท้งขาหมือเทาจิตใจก็เป็นเทศเป็นผีบ้านหลวงพ่อเทพทางี่อัวัยเปรตยังไงกันเนี่ยเป็นเทศเป็นผีเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดลสารเป็นอสุรกายเนี่ยเป็นอย่างไนอสุรกายเนี่ยแปลว่าไก่จากคมจริงดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมะหรือฟังเทพฟังเพื่อความเข้าใจ ไม่ได้ฟังเพื่อเอาบุญแกนบุญนั่นมันี้แล้วแก่เราไม่เข้าใจาบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เข้าใจมุญพูดให้ฟังคือะเราเกิดมาเป็นคนแคนโบหักขาโบาห่านหูบนุบ่งปากโบเกืดดังโบตันสมบูรณ์และเป็นคนแล้วเนี่ยบางคนเราเห็นก็เกขึ้นมาบางคนก็เป็นเปีย้ยเป็นค้อมไปบางคนก็หูนุ่งบางคนก็ปากเกือดไปบางคนก็ เสอยองคชาให้เราแลแ้ไม่สมประกอบนี่ไม่เหมือนกันอย่างนั้นดังนั้นเรามาเกิดเป็นคนแต่ว่าแขนขาหน้าตาลุบลางเป็นคนเหมือนกันเมื่อแต่รูปสมไม่เหมือนกันกเพราะเรื่องอะไรเพราะการปฏิบัตินั่นเองไม่ใช่ตัวเราปฏิบัติอย่างพ่อแม่เราพูดมันปฏิบัติมาปฏิบัติมาผิดลูกก็เป็นผิดขึ้นมานี่ว่าเงนเป็นการซืบอผันกันมานี่ว่ากรรมเป็นของเราเนี่ย เราทำชั่วไว้กรรมมันก็ต้องตามตามเรามาอันนี้เราให้เข้าใจเอาไว้คือว่าคนที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะนั้นเขาไม่ทำชั่วไม่ทำผิดคนที่ไม่เข้าใจธรรมะาก็ทำชั่วทำผิดผลออกมาก็ให้ได้รับโทษเปรียบงั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คนทุกคนทำดีไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าเน่ยทุกคนทุกเพศทุกวัย ทุกธาตุทุกภาษาทุกละทิทุกมิการสอนให้คนทำดีทั้งนั้นอันนี้เรื่องทำดีแต่สอนให้คนพ้นไปจากทุกจริงจริงนั้นมีน้อยมีแต่เฉพาะพุทธศาสนานี่เองคาว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราให้เข้าใจไม่ใช่เขาจะเริ่อนใสพุทธศาสนาทั้งหมดนะตอนนี้วานนี้ก็พูดวันนี้ก็พูดให้ฟังเพราะวานนี้บางคนอาจจะไม่ได้ฟัง หลวงพ่อบวชนู่นเป็นพระหนุ่มอายุยี่สิบปีเจ้าคณะอำเภอเสียงขานพระครูวิสิทธธรรมจารย์เป็นเจ้าคณะอำเภอท่านบวชให้แต่ไม่ใช่ท่านบวชให้หรอกเรามีอุปกรณ์ไปไปหาท่านเป็นอุปสาให้ท่างกัเลยเป็นอุปสาให้บวชให้เป็นสมมุติ <c oughs> พอได้บวชเสร็จแล้วท่านก็ให้กรรมวาจาพอได้ให้กรรมวาจาท่านก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังท่านว่าในประเทศอินเดียมี ใน้อยแปดละทิลอยแปดศาสนาถนนแล้วจนพวกลอยแปดศาสนานจะถือว่าเป็นสมาธิทิคารุได้หรือวเป็นนิสาธิทิคาบุได้พวกนั้นเขาไม่เห็นดีพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องถือละทิของเขาให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างที่เรามานี่ก็เช่นเดียวกันพวกที่เขาไม่เห็นดีด้วยเขาก็ไม่ต้องมาพวกเขาเห็นดีเขาต้องม า, รง จ, า, ง า, าจริงนะจ๊ะว่าคำว่าศาสนาจริงาไม่เหมือนกันเขาไม่เห็นดีเขาไม่มา เขาเห kind of ็นด yeah. yep. ีเขามาอย่างที่คนถือศาสนาที่เขาไม่เห็นดีพระพุทธเจ้าเขาอาจจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นนิสัยที่ถก็ได้สำหรับลอยแปดศาสนานะเขาไม่เห็นดีวันนี้พระพุทธเจ้ากระใจเห็นว่าลอยแปดศาสนานั้นว่าเป็นนิสัยที่ถือก็ได้นั้นจึงเป็นเสื้อคำใครไม่ได้เราต้องปฏิบัติให้เราได้รู้เองเห็นเองเข้าใจเองจึงว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองจึงเป็นพุทธศาสนา เมื่อพูดเนนี้เขจะเปรียบเทียบให้ฟังหลวงพ่อเองอันนี้เคยทำกรรมาานมาเคยให้ทานเคยรักษาศีลไม่รู้ไม่เรื่อาศาสนากับพุทธาศาสนาแยกออกจากกันไม่ได้เจนกระทั่งเมื่ออายุส6ปสิบ่กปีเริ่มจะแยกยาาศาสนาได้อันนั้นทำอย่างนั้นเป็นาศาสนาพุทธทำอย่างนั้นเป็นศาสนาพราหมณ์ทาอย่างนั้นเป็นศาสนาธีทํทำอย่างนั้นเป็นาศน า, า, านนนสนาเทวดา เป็นศาสนาพระอินทรพระพรหมรู้จักเป็นแต่เราจะพูดให้คนฟังมันเข้าใจยากเลยสมมุติเตีเียมให้ฟังสมมุติเราเราไปนำถนนไปนำป่าทางนี้ไม่มีปลานะมันต้องพูดกันเรื่องสมมุติเราไปเดินทางไปเห็นฟอดไป น, นอ้อยๆฟอดทางบ้านหลวงพ่อเรียวฟอดคนไปไกลๆเราตัดไม้เป็นแถวไปสมมุติทางนี้มันไม่มีป่ามีต้มก็ไม่รู้นะ มีคนเที่ยวไปแล้วนะมีคนเที่ยวไปแล้วแต่ว่าได้ต้นทางคือคนยังเที่ยวน้อยบัด น, นี้เข้าไปทางใกล้ๆบ้านคนบนเนี่ยทางก็เกี้ยงเข้าเข้าไปใกล้ๆ้บ้านคนทางก็ยิงเกี้ยงเข้าไปสมมุตินะ่ะบัด น, นี้เข้าไปถึงติดบ้านคนทางก็เกี้ยงก็สะดวกก็สบายไปอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมากกเช่นเดียวกันที่ว่าเราไม่เข้าใจสมมุติให้ฟัง เราปฏิบัติเป็นวิธีที่ปฏิบัติง่ายๆนี่ทำควารู้สึกตัวนี่เองความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้กับหมดไปหมดไปแปลว่าความไม่รู้นั้นหมดไปน้อยเม่เราก็บพบทางเส้นเล น, น้อยทางทางยังไม่เกี้ยงทางยังไม่สะอาดยังไม่สะดวกกันบตอนี้เราทํามากๆจนมันเข้าไปใกล้บ้านคนไปนี้ทางก็เกี้ยงเข้าสะอาดเข้า เพราะคนมันเราก็ทำมากขึ้นทำมากๆเขาเตจนถึงกับที่ว่าเราไปถึงถนนแง่ยอย่างที่เราอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยไปถึงอย่างถนนสีแง่ถนนจัลันสันีวงทางมันสะอาดทีเดียคนไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายอันนี้ก็เช่นเดียวกัน <S <S ที่เรียกปฏิบัติธรรมเนี่ยให้รู้จักตัวเรามีรู้จักรูปรู้จักนามีอันนี้อยังยังไว้ใจไม่ได้ยังบางคนยังไม่เลิกละขมขื่วก็มี บางคนเลิกละขุนสุโขมี้บางคนยังกินเหล้ายังเล่นการพ น, นันสูบุรีจะก็มีบางคนแต่ก็ดีรู้แล้วหักไม่อปปฏิบัติบางคนเลิกละได้เนไงอันนี้สมมุติให้ฟังบัดนี้คนมาดูเห็นจิตใจตัวเองแล้วแบบนี้เหมือเกับเราเข้าไปใกล้ไปใกล้ทางใหญ่แเรารู้จักโอ้ทางไปหั่นมานี่รู้จักแล้วบบนี้ปฏิบัติเข้าไปจริงๆเพื่อให้จิตใจเราเปลี่ยนไปจากสองสามครั้ง ถึงสองสามครั้งแล้วก็รู้จักกรรมฐานแต่หลวงพ่อพูดรบรับให้ฟังเพราะว่าวันนี้ก็ไปข้างนอกเราจะพูดเพียงสามสิบนาทีเท่านั้นเองเี๋ยวนี้ก็พูดมาแล้วก็ได้สิบกวนาทีแล้วดังนั้นจิตใจเปลี่ยนมาสองสามครั้งแล้วก็รู้จักกรรมฐานนันทีกรรมฐานนั่นคือมันอยู่ใต้ผมสมุงมันอยู่ใต้โมหะ ไม่ใช่ความสงบแบบที่หลวงพ่อพูดนี่นะความสงบใต้ความสงบ ค, คือใต้ปัญญาสงบด้วยปัญญาอันพวกวิปัสนาสมาธิรามธานี่สงบนั่งนิ่งนิ่งเงียบคนใดที่ได้มดีนิดมืได้สมธาธินิดหน่อยนั่งสบายหวานนี้ก็ทํานั่งอยนี้สบายบ้องให้เครื่อนมือขึ้นมันไม่อยากทำเพราะมันมันไม่สวยสม า, มาธิรามธานมักคมสวยคมงามมันไปยึดอารมณ์ นี่ว่ากร ม, มาลมไม่เห็นกามมารมคือมันวินดีด้วยอารมณ์ที่มันสงบข่มสวยข่ม ง, งามอย่างนั้นเรียกว่าเป็นปีติก็ได้เราจะเรียกว่าปีติก็ได้เรียกว่าติดด้วยอารมณ์สงบก็ได้คนนี้ยังสมมุติว่าใกล้ๆจะออกปากสอยแล้วเติมออกไปไม่ได้มันยังมันยังไม่เลือกว่าอันนี้เยกวมันติดในมิถานั้นเรียว่าติดกามมารมอันนั้นเลยไม่รู้จักว่าจะทํำยังไงแล้วมันก็ติดอยู่ที่นั้น บบงนี้เราไปบอกให้พวกนี้ทำกรรมฐานไม่ต้องหลับตาหมือนตามันก็ไม่อยากเหมือนไม่อยากหืนตาหรือไม่อยากหลัลมบมันนั่งที่ไม่ไม่อยากเคลื่อนไหวเลยเพราะมันมันสงบในสงบเป็สงบไม่รู้สงบใต้โมหะสงบไม่อยากสงบอันนั้นพอเดีออกไปถนนง่ายๆจริงๆแล้วไม่รู้จักหลบรลบสนตายกันเลยเพราะเราจะไปขึ้นไป ถนนจัลันสันนิวงศ์นั่นมันมันมีรถมันมีรถซีแยกกระที่นั้นไปไม่พวกเครื่องกับรถสนตายที่นั่นเลยพวกทํากรรมฐานนี้กับสมมุติไปอนยังไงเลยติดอยู่ที่น้่ตายอยู่กริ่นั่นกัเป็นอย่างไบนบางนีน้พวกที่ทำที่ปรัสนาเนี่ยเหมือนที่วันเราเดินออกไปเนี่ยเรารู้จักจวัดทางนี่ขึ้นไปทางสะพานทางนี่จึ้ไปทางที่ไหนหลวงพ่อไม่รู้มันเป็นที่แยกมันจะไปทางไหนทางใดรู้จักได้เข้าไปได้ทุกทุกทางพวกที่ปรัสรานา หมายถึงพวกนี้ทําลายกามรมลลมได้แล้วทําลายกามรมลลมคือไม่ยืนอยู่ในอารมณ์ทางกามรมลลมนั้นเนี่ยมั้ยการมาสาวะตกอยู่ในอํานาจของการพวกนี้พวกนี้คือไม่ตกอยู่อานาจของกามไม่ตกอยู่อานาจของกามรมลลมอันนั้นการมาสาวะภาวาสาวะนี่คือภพซาตอาริสาของภพของสาตมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันคิดมันดีใจมันเสียใจอืม จะพวกกรรมาฐานไม่รู้อันนี้จิบบางทีไป็นั่งกรรมาฐานนั่งออกมาแล้วมาสู้อารมณ์ภายนอกดีใจเสียใจไม่พอใจจิบเป็นภาวาสะสวะอวิสาสวะแบบนี้ไม่รู้ทิศทางลถออกไปเรี่อยพอดีไปแล้วไม่ระมัดระวังลถสนตายแบบนั้นเลยเกคืออวิสาไม่รู้ว่ารถจะมาอันนอ้ยังไงวันนี้พวกที่รู้อันเนื้อ ภาวาเสวะคือพบว่าไม่จะมาทํารบกวนไม่ได้เพราะรู้จักว่ารถคันนั้นมาอย่างนั้นรถคันนี้มาอย่างนี้ไฟเขาปิดอย่างนั้นไฟเขาปิดอย่างนี้รู้จักสมมุติให้ฟังอวิสาเสวะรู้จักว่าเขาปิดไฟแล้วไปที่ไหนก็ได้สบายพวกนี้แปลว่าทําลายกรรมมาลงได้พวกที่ปัฒนากามาเสวะภาวาเสวะอวิสาสวะทำลายอวิสาได้จึงว่าควรสมมติแบบนี้ไม่ใช่สงบอนีแต่สงบให้เข้าใจอย่างนี้ คำว่าไม่สงบเนี่ยคือมันไม่ไม่สงบเพีงแนี้มันไม่สงบเจนึกสงบความสงบมันคือสงบใจเป็นรูปกายภายนอกเนี่ยทําการทํางานพูดคิดทําอะไรได้ในย่ปีนั้่ะจะไม่สงบจนึกสงบคือสงบมันรู้จักว่าจิตใจเราเป็นปกติกายปกติวาจาปกติใจความสงบอันนี้จะบอกมีทางสิลมีทางสมาธิมีทางปัญญาพวกนี้ ไอ้พวกนั้นอันนี้ที่สินสมมุติสมาธิก็ต้องตั้งใจถามออกปัญญาก็ต้องออกจากสารอ น, นั้นออกมาแล้วออกมาพิจารณาว่าลูกนามทุกขังอนิจจังอนัตตาพิจรารณาอสุภะเนี่เป็นยังไงควรพิจารณาตั้งกันหลวงพ่อเคยได้ทำมาแล้วแต่พวกนี้ไม่ต้องทําอย่างนั้นอย่างที่หลวงพ่อพูดเลยไม่ต้องทําอย่างนั้นคือใมันรู้สึกตัวควรมรู้สึกนี่ยจะไปไครคนไม่รู้นี่ควรไม่รู้คือควรทางมันหก เราพยางเบิดทางออกไปลู่เข้าลู่เข้ามือก็ตัดต้นไม้ออกจากทางมันก้วงออกไปนี่เป็นผลที่สุดก็ตัดทางจนล่งจินตีนไปได้สบายมาได้สบายนี่เนี่ยว่าไม่ติดอยู่ในอารมณ์คนสงบแบบนี้สงบด้วยการเหตุแจ้งบนรลุวิปัสนาจริงๆนั่น่อันนี้เป็นทางสมถะเป็นทางวิปัสนาครับนี่ที่พวกเราทําเนี่ยมันเป็นกรรมฐานมันเป็นวิปันาไปพร้อมกันเลยอันนี้จริง่ะ ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับที่ไปทําคนสงบอย่างอื่นอันนี้คือเป็นพร้อมกันเลยอั น, นที่เราทําเนี่ยเนี่ยทําอันนี้เป็นกรรมฐานอันันความรู้สึกในี่เปนวินนปัสสนามันเป็นฐานฐานแต่บทีตั้งฐานแต่บทนี น, นั้นวิปัสสนาคือว่าเรารู้เนี่ยเรารู้รู้ความรู้อันนี้เรียกว่าสัญญาไม่ใช่สัญญามาจากคนอื่นอันนี้สัญญาเราพิึ้นมาได้สัญญาสัญญาแปลว่าความรู้สัญญาความจันได้โอ เป็นอย่างนี้ความหมายรู้จําได้เรียกว่าสัญญาในสัญญาตัวนี้บันสัญญาตัวนี้มีมากขึ้นมากขึ้นปัญญาก็มีมากขึ้นมาปัญญามากขึ้นมากขึ้นควมรู้สึกอันนี้ก็มากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่าญาณขึ้นขึ้นบัญนญาณตัวนี้เขาไปรู้คือตัวรล้เนี่ยมันเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปทําลายโทสะโมหะโลภะเนยเข้าไปรู้อันนี้เข้าไปทําลายอันนี้วัตถุจิ เ, เข้าไปรู้อย่างอื่นนะที่หลวงพ่อพูดอันววนี้แปลว่าผู้ได้กระแสอเนกพัน คือดกระแสพระนิพพานนั้นหมายถึงทำลายโทสะโมหะโลภะเนี่ยแต่ก้อนมันมีร้อยเปอร์เซ็นตยี่มันทำลายได้แล้วอย่างน้อยต้องห้าสิบเปอร์เซ็นหรือสี่สิบเปอร์เซ็นหรือหกสิบเปอร์เซ็นหพอทีแรหลวงพอเข้าใจว่าเออแล้วหสิบเปอร์ซ็นต์หพอทำลายทีเดียวอย่างน้อยนะแต่ึกในขณะนั้นหลวงพอทำลายได้แปดสิบเปอร์เรื่องโทสะโมหะโลภะนี่จางไปทันทีเลยไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นอะไรเนี่ยสัญญา พอดีคนมาพูดอะไรปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่หันทันทีเลยมันไปเห็นเลยเห็นโทสะโมหะโลภะเป็นหลักษสันฐานที่ว่าอันนั้นก็เลยจอยหอมไปมันก็เลยไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้าำมัวก็หอมมันไม่อ้วนไม่ทีเหมือนเดิมสมมุติเอาแต่ก็มันอ้วนมังทีใครไปสู้นไปได้บัดนี้ตัวตัวรู้ตัวนี้ไปสู้มันนี่วัดงานตัวนี้เข้าไปสู้ไปทําลายมันได้เนี่ยอันนี้จึงว่า ได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานพวก ท, กาทากวํากรรมฐานมันก็ทำไม่รู้แต่คนเจ้มือผังไม่รู้มาทํำนี่มันรู้ออกระแสพระนิพพานได้ต้นทางสมมุติเราเห็นทานเน่ยอยเป็นฐานมันนิดันึ่งเราพยายามเบิกไปตัดนั้นตัดนี้ไปเราก็ทํำเรื่อยๆนี่บันนีดความรู้มันมากขึ้นมากขึ้นยนือสัญญานี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมรู้ความไม่รู้ก็หายไปหายไปหายไปงานคือว่า เ, วเข้าไปรู้ไป เข้าไปรูปมากเข้ามากเข้ามันามันรูปพร้อมกันแหละมีทางสัญญามีทางงานมีทางปัญญามันเป็นอันเดียวกันมันเข้าไปรูปพร้อมกันพอดูมันสมบูรณปุ๊บเหมือนกับระจุดตะเคียนจ้าพายุเนี่ยสว่างขึ้นมาทันทีนะข่มยึดมั่นถือมั่นนิวากิเล่ตันหาอุปทานกรรมจางไปทันทีเลยเนี่ยในสองพักนี่หลวงพ่อแลนเดียวนั่นแหละข่าวเดียวนั้นน่ะเอาเลยตอนเศร้าลูกลุกนาำ ตอนเยนมันหลวงพ่อทำลายอันนี้ได้เข้าใจโอ้นี่ที่แรกนันเราพิกมือขึ้นมาเป็นมกักพระโสดามาักก็นเลยผลของมันนั่นคือทำลายโมหะโทสะโลภะได้เันนี้เขาว่าพระโสดามากักพระโสดาผลพระสกิทาคามีมกักพระสกิทาคามีผลพระอนาคามีมกักพระอนาคามิเป็นคำพูดแด้นั่นเป็นคำพูดที่หลวงพ่อรู้นี่คือว่าอันนี้เอาญางเข้าไปวัดเอาเอง ทำลายโทสะโมหะโลภะได้ได้กระแสพระนิพพนออกเป็นพระโสดาบันบุคคลถ้าเป็นบุคคลเป็นขลรวาณญาจูงจะต้องเห็นแจ้งรู้จริงนะถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เรียกพระอนิสสงใช่ไหมคนับันนี้ทำลายกิเลสตัณหาอุปทานได้บ้า้อันนั้นก็เรียกเป็นพระสกีถาคาถ้าเป็นขลรวาณก็เป็นพระสกีถาคาบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์กับเป็นพระอนิสสงต้องเป็นอย่างนั้น วันนี้พอที่ทําลายพวกนี้ได้แล้วสิ้นปรากฏขึ้นมาเป็นพระอนาคามีแล้วบั น, นี้นไม่เป็นยังไงพระอนาคามีแล้วบั น, นี้ทําลายแต่ว่าพระอนาคามีนี่ต้องทําลายจําพวกที่กา ม, มาสาวะภาวะสาวะอวิสสาสาวะได้ตรงนี้รู้จั ก, จกทําลายแล้วบั น, นี้เข้าไปใกล้พระเดียบุคค ล, แ, ลแต่เราไม่ได้พูดถึงพระเดียบุคคลเพียงว่าเราจะทําให้มันเป็นไปอย่างนี้ ที่หลวงพ่อมีจุดประสงค์จะแนะนําเพื่อนพระสงฆ์องค์เจ้าหรือญาติโยมจะเป็นผู้หญิงระสซางผู้สายกตัจะแพร่ปฏิบัติให้มันเป็นไปอย่างนี้ให้มันมีญาติลูกเข้ามาอย่างนี้ผิดนี่ไปแล้วกันคือไม่ถูกไม่ตรงกับทนนี่เราลูกมาที่มาสอนให้ได้อันนั้นเราไม่มีความรู้ที่อย่างนี้เรามีความรู้เรามีความสามารถจะแก้ปัญหามันได้พอดีทําลายพวกนี้ได้แล้วโอ้นี่ห่วงเป็นพระ มันอยู่ที่ตรงนี้ผู้ตายก็เป็นได้ผู้ยิงก็เป็นได้ใครจะเป็นได้ทั้งหมดเลยหลวงพ่อจึงให้กลัวตายตํานาเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ว่าถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมโลูกธรรมะแล้วไม่เกินเจดวันตายก็จะว่าอย่างนั้นคนก็เลยไม่อยากทำพวกเรานี่ก็อาจจะชิดเหมือนกันโอ้ยกลัวตายยัางพัดพักจากหลงไปทรัพสมบัติจากศูญจะหายไปเนี่ยมันกลัวตายไปงนะ่ายอย่างนั้นคันกลัวตายก็โอ้ยทีนี้ได้ไปิดบวช นั้นเป็นผัวปะมีฮะมันคิดไปอย่างนั้นเพราะว่าคุณบาอาจารย์บอกว่าผู้ที่เป็นฆราวาสผู้ค้องเรืออยู่เนี่ยถ้ารู้ทำมาแล้วถึงที่สุดทุกแล้ว่ยไม่เกินเจ็หวังตายคนไม่กระทำหลวงพ่ไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าตายไม่ในก็ไม่รู้ไม่ตายไม่เนาะแหลวงพ่อตั้งใจทําำต่นนั้นเองทําไปคลยเข้าใจ เข้าใจทำลายจาพวกความนี้ได้ไหมเข้าใจการทําบุญด้วยกายการทําบุญด้วยวาจาการทำบุญด้วยใจเข้าใจจริงๆการทําบาปด้วยกายการทําบาปด้วยวาจาการทําบาปด้วยใจหล่งพ่อเข้าใจไปอย่างนั้นเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็เลยรู้จักรู้จักเทศสุดของทุกหลวงพ่อเคยทําให้ดูเอาเสื้อพูกวันนี้ซดนึงเสื้อพู้วัดตัดตรงกลางพับเสือกมื่อคืนมาทิ้ติดอยู่ตรงกลางเลยมันเข้าสู่สภาพเดิมของมัน รูปก็เข้าสู่สภาพของมันจิตใจก็เข้าสู่สภาพของมันว่าจิตดึงแท้กันวันอย่างนึงคือมันเป็นปกติโยนฝันอันนั้นเรียกวส่สงบสงบอันนีนอันนี้พินัยจึงว่าตายไม่ในก็ได้ว่าความตายจะเป็นสมบัติของคนทุกคนจะไม่ต้องกลัวจะตายแต่กลัวแต่จะมาเกิดอย่างเดียวแต่ว่าคือไม่อยากมาเกิดแล้วเห็นว่าสภาพควรเป็นยุคของคนในไม่จะเป็นเสษธีมีห้งกระทุกจะเป็นคนเรียนหนังสือมากกระทุก จะเป็นคนจนจนกระทุกเป็นคนพอปางกางกระทุกหลองพอเห็นสาภาพทุกข์จังสันจึงว่ามาเห็นขาดพุกโอ้มันมีมัทุกคนเป็นมัททุกคนพวกญาติโยมก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์ญาติอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันจวรจะบุดลมหายใจต้องขาดสักก่อนอย่างน้อยต้องสามนาทีหรือห้านาทีเราต้องประสบกับบันนี้สักก่อนว่าเราจะประสบด้วยขุมมืดหรือหรือจะประสบด้วยขุมสว่างในการฟังธรรมะไม่ใช่จะไปฟังโยบุคคาโลอันว่าบุคลาผู้ใด ทำมืออย่างนี้ได้ปรากฏเป็นเทวดาอย่างนั้นท man, ํามืออย่างนั so ้นได้ไป <sk> ็นสาวาญยงหลวพ่อไม่พูดแล้วเรื่องนั้นหลวงพ่อจะพูดควมจริงเนี่ยให้คนฟังไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนต้องประสบอันนี้ถ้าเราทําอันนี้ไม่ได้กลับไปว่าเราไปประสบด้วยหูมืดถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้ได้ฟังได้ก็อนยังดีเพราะเราจะคุ้นหูเอาไว้เราจะพอรู้จักทิศทางเดินไปได้ในเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้บ่เนี่ยไม่ได้ฟังไปก็ตกเทีก้นลงไป สมมติเราไปที่นี่นะไปข้ามข้างคลองเราไปนี่ไม่รู้ว่าไม่สะพานนะไปหักโตู้นูนลงตมลงของกันเลยไปไม่ได้เลยไปด้วยคนมืดเนี่ยบางคนมันนะับไปด้วยคนสว่างเห็นโอ้ที่นี่มันไม่ดีก็ไปทางอื่นไปทำมันดีจริงหรควรทําทให้มันรู้ควรทําให้มันเห็นควรทําให้เข้าใจเอาไว้เรื่องเพรียไม่ยากจะทําอยู่ที่ไหนก็ได้ พอเดียันคาดออกจากกันแล้วทุกคนต้องรู้เองเห็นเองท่งานจะว่าถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีจะเกิดที่ตัวนันพอเดียปุ๊บคาดแล้วก็มีเครื่องสัญญาให้เลยบอกว่าเครื่องสัญญาเขาจะว่ดสัตวสิ้นพบสิ้นภพมจันยุจบกิศอื่ น, มนไม่มีแล้วมีแต่ทิศอันนี้เท่าเองทิศในพุทธศาสานาที่สาคัญเท่านี้เราว่าพระพุทธเจ้าแต่คนคงเดียวกับไม่อันนี้นีสนน่สันติกับเนี่อันนี้นสงบกับเนี่อันนี้ อันเดียนี้เองนิพพานกับไม่อันเดียวนี้เองนี่พอเข้าใจยังนะจ๊วทุกคนประสบจริงจริงจี้วาไม่ยกเว้นเนี่ยจะเอามันไปเสื้อเอาไม่ได้ไม่ได้จริงๆรจะไปทํากองการถิ่นจากพันกองกออกไปเถอะสร้างโบสถ์จากพันลูกออกไปมีเงินจากเมื่อนล้านเนี่ยไปทําบุญเอาไม่ประสบเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องนี้อันนั้นเป็นเรื่องนี้ดีแล้วอันนั้นก็ได้เรื่องนี้มันมัใช่ไม่เรื่องนะเรื่องนี้มันเป็นการกระทําให้รู้เองเห็นเองเข้าใจเองจี้ว่า ที่สุด ข, ของทุกมีอยู่แต่เราไม่ไปให้เป็นเธิงเท่านั้นเองดูวิธีปฏิบัติหลวงพ่อฟังครูบาอาจารย์มาเทพมันดูทุกอง์ดูทุกคนแต่ทําไมจะใม่พูดกลมจริงสุขันฟังพูดไประกลไกลคนที่มันสนุกคนเนี่ยคนฟังต้องสนุกเพลินไปแต่หลวงพ่อพูดเนี่ยคนฟังไม่เป็นฟังไม่เป็นว่จาจักรวาอย่างไดไม่รู้จัจกจะรู้จักทํำไงเจ้าของยังไม่ได้กระแสทางที่จะไปเพื่อนอ้าวสมมุติให้ฟัง อาสมมติน้ำนจ้าพญานี่เองเราไปเอาเหงือไปยึบ้างเหงือคือการนะถึงนี้ก็นเด่นว่าอย่างหนี้นเหงืกเอาเรือไปเนี่ยไปน้ำจ้าพญาคนบรรจูเขาเรือไปหมดเลยพอได้ไปถึงกลางแป๋าเรือแก่ปุ๊บเลยจมเลยเหงือบ้างนคนก็ต้องจม น, น้ำไปบางคนเบางคนก็จมตึ้งไปทั่วหัวเลยไปถึงที่ดินก็ดันขึ้นมาบางคนก็ได้แปลนน้ามันหมอแหงก่อน จมตายไปก็มีเนี่ยบางคนการฟังธรรมะไม่เข้าใจสมมุติเอานั้นบางคนจมปิ้งไปเลยถึงที่ดีมือกำลังยันขึ้นมาโพกขึ้นพอจะแปลงหัวสิเกิดเห็นตะฟงังพุ่นโอ้ไปทางพุ่นตะฟังลอยไปทาพุ่นก็มีเนี่ยบางคนจมปิ้งไปเลยหลอนยันขึ้นมาโพกขึ้นมาเพียงคอนี้ลอยไปได้ดีบางคนจมปิ้งไปยันขึ้นมาเห็นมัดนั่ก็มีแล้วก็ลอยไปเปน็นอานั้นให้ถึงตะฟังได้ พวกเรามาฟังเทศนี่ก็เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้แกล้งวาเด่เนสมุดไปเรามาฟังเทศไม่ฟังเพื่อความเข้าใจเราจะไปทิศทางเบื้องใดต้องรู้จักถ้าหากว่าเราไม่รู้จักไปไม่ถูกนะจริงๆนะเรื่องนี้หลวงพ่อรับรองได้ไปไม่ถูกเลยพ่อหลวงพ่อกมีแม่หลวงพว่อกมีไอ้น้องหลงวงกมีตายกันไปไม่รู้ทิศทางเลยแม่หลพวพ่อกับไม่รู้ทิศทางเรื่องนี้พ่อหลวงพอ่อเทศตายไปเมื่ออย่าง หลวงพ่ออย่างน้อยพยี่ชายหลวงพ่อคนนึงไม่รู้ทิศทางเลยแต่เขาบวชนานอันนั้นเขาบวชนานเขาได้เรียนมากแต่เขาไม่รู้แต่เขาอาจจะรู้กันได้แต่หลวงพ่อคิดว่าไม่รู้พ่อมาสอนหลวงพ่อเองคนนั้นเขาบวชนานแต่ว่ามีอ้าน้องหกคนด้วยกันแต่ไม่รู้คนเดียวเท่านั้นเองไม่รู้ทิศทางกับกับหลวงพอ่อหลวงพ่อไปปฏิบัติมาแล้วหลวงพ่อพยายามอ้าน้องหลวงพ่อพยายามให้รู้ทุกคน แต่คนนั้นตายแล้วก็พยายามไม่ได้นอกนั้นได้รู้ได้พ้นขึ้นไปโอต่ฟังอย่างโ น, น, น้นเน้นมีบางคนก็ลอยไปใกล้ใกล้ถ้าฟังก็มีเป็นอย่างนั้นบางคนก็น้าเพียงหัวเข้าก็มีหรือเสียงต้่านั้นสิ่ก็ไปเดินแต่ก็นี้ไปอย่างนั้นอันนี้สมมติให้ฟังเรามาฟังเทศนี้ก็เช่นเดียวกันบางคนฟังไม่รู้เลยจากว่าจับบนใดฮู้เบิ้ักตัวเนี่ย นี่ฮะหลวงพ่อเคยเคยฟังเทศหลวงพ่อหรือฟังไม่รู้เรื่องจะฟังรู้เรื่องอะไรตัวเองไม่เคยฟังการฟังธรรมะหลวงพ่อเนี่ยคนไม่เคยฟังจริงๆแล้วจะไม่รู้เลยเพราะหลวงพ่อพูดแล้วไม่คือเพื่อนเขาพูดเลยเพื่อนเขาต้องพูดประจบประแจงให้คนมีใจเนี่ยหลวงพ่อไม่เอาการประจบประแจงนั่นมันผิดไปนหลวงพ่อผิดหลวงพ่อพูดตรงกๆมาเนี่ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทางนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงนี้กัมีพูดถึงนี้ก็มีแต่ทุกครั้งหลวงพ่อต้องพูดรู้เรื่อง เอาเสื้อมาตักเอหนวงพ่อต้องพูดทุกครั้งแต่ว่าจิตพูดยังนู่นหลวงพ่อไม่ค่อยเป็นเป็นอย่างนั้นตอนที่ถึงที่สุดเนี่ยมันจิตหายไปหมดเลยเสื้อไปติดพุนไปติดพีดดึงเข้ามาบดเสิร์กันแล้วเหมือนกับเราเดินไปเดียวไปตกหงเหวนั่นก็ได้เลยพอเดีุ๋วตกพุนเนี่ยจะมันมันเสบไปเลยมันจืดไปหมดตัวเลยหลวงพ่อเคยเปรียบให้ฟัง ผู้ใดมีเด็กน้อยนะมีลูกน้อยนะเอามือไปอุป้บเอามือไปแปะกับพก้นเนี่ยมันขาวพอดีเอามื อ, อ, อเอาแล้วมันแดงมันแดงแล้วเอามือไปแปะมันจืดหมดเลยเมื่อไปถึงจุดนั้นเราคนจะจืดทั้งหมดเลยจ่นจะตา ย, ยนะี่เราต้องจืดอันนั้นแหละจึงอทุกคนต้องประสบจริงๆอย่าไปตกอกตกใจพวกเราใครจะพูดยังไงก็ก็ห้ามไม่ได้นะวันที่อ้ยไปฟังธรรมะวัฒนธรรมไหนไม่มีประโยชน์อะไรเลยถูกของเขา เพราะเขาไม่เคยเรู้อย่างนี้ไม่เคยได้ฟังอย่างนี้ก็ฟังไม่เป็นไม่มีประโยชน์จิีบแต่ว่าอันนี้เนี่ยประโยชน์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาถ้าใครทาได้เนี่ยเป็นยอดของมนุษย์เนี่ยเป็นพระญบุคคลก็ได้แต่ว่าไม่มีเครื่องหมายไม่เหมือนกับครูโรงเรียนพวกในบ้านกำนันตำรวจทหารไม่มีคิดอย่างนั้นอันนี้ไม่มีคิดอย่างนั้นแต่ว่าใจมันเป็นแผลในว่าสัญญาเหมือนกับนี่บาดเรนเนี่ยมันเป็นแผลแต่ว่ามันติดดีแล้วจะแผลอยีก มันไม่หายแผลมันอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจเราจะรู้อย่างนั้นอยู่ไม่สา้สักทีเลยมันพอดีคนมาพูดเรื่องอะไรต่างๆจิตใจมันจะวิวเข้าไปนั่นกันทีเลยเนี่ยทุกคนเป็นับพระพุทธเจ้าวายัางเราจะธรรมะนั้น น, นีก่อนแล้วแต่เราไม่รู้มาเท่า น, นั้นเองพอแล้วมือห น, นี่เพระว่าที่เยเฉพ่อหลวงพ่อผู้นี้ไม่ได้อ้างตำรา เท่าไหร่ก็มาเป็นประสบการณ์นี่ท่านรู้มาในส่วนของอาจตมมาก็คงพูดได้เพียงประสบการณ์นะเพราะว่าคือนี้ตัวอยู่ว่ากำลังปุ๊บป่องปุ๊บป่องอยู่นั้นก็ำลังต่อสู้วดทนอยู่กแบบับอารมณ์เที่ยงพ่อที่ว่ากา ม, มาสะวะอันนี้มันหมายถึงความสงบด้วย พ่ออาตมาทำความสงบมานานหลายปีเกเพราะถ้าจัดเข้าในส่วนของหลวงพ่อแล้วนี่มันตกมีไฟสมถะหมดเลยคือคร้งแข่งวินัยแล้วก็นั่งสงบพอถอนจิตออกมาแล้วก็คิดเรื่องพระไตรักอย่างนี้เท่งอาซุพ่าอย่างนี้แล้วก็นึกว่าตัวเองนี่หลุดพ้นแล้วแล้วก็ห็นขนาดจะไปบริจาคศพบริจาคเลือดทำไปแล้วก็ แต่มันก็นึกยุคโบราณ้อยู่ว่ามันชีวิตยอย่างลราหกเราเหินอยู่มั้งเนี่ยอย่างนี้รู้อะไรพอไปฟังใครพูดขึ้นก็สงสัยแล้วให้เรารู้หรือเปล่าพอเขาบอกว่ามีสีห้าระบายมุกได้ก็เป็นพระโสดาบันตรงนี้เราก็อยากจะเป็นพระโสดาบันมากนี้พอเขามาพูดว่า อ, อต้องปฏิบัติต้องเพ่งอย่างนั้น ต้องคิดในเ น, นี้ถึงจะเป็นสัมมารเรี้ยมัคต้องเคร่งเขยิ่งครับเก็เกิดควา ม, มนกแต่ว่า ถ, ถูกถูกถูกใครก็คนมาชี้มาเรานี่ททำผิดอย่างนี้เราก็เกิดความที่เราพ่อเรียกว่าสงสัยใครมาพูดอะไรขึ้นเรสงสัยไม่มั่นใจไม่มั่นใจตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้ตัวเองทีนี้ส่วนที่เราอยู่กับหัวงพ่อ ตัวลาวกืบสองปีนะไปไ ป, ประมาณมาอยู่ภาษากรดภาษาที่ล้วก็พะเยอะก็เลยไปอยู่ทงาทงภายนอกถ้าที่สังเกตแล้วนี่มาจับจุดได้จุดหนึ่งว่าคือเราถือดีนะความจริงสิ่งที่เราถือมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้เราถือดีอย่างเช่นอัตมาทานมองสายรัดอย่างเงี้ยที่เรังไม่มีให้อย่างเงี้เราก็มันจะถูกยังไงอย่างเงี้ยนะอัตมาแค่ยังพินัยน์ไม่จับเรื่อง น, นี้ ที่เขาก็จับเินกันอย่างนี้อาตมา้งมีอาสนะอย่างนี้อาสนะต้องมีอาสนะพ่อก็สังเก็บหมดอาตมาฉันลำบากพ่อพ่อก็บอกให้ฉันไปกลับมาอย่างนี้มันมันสวนทางกันหมดนอาตมาฉันก้าวมือ่อ่ก็บอกให้ฉันเจ็ดกับเพื่อนเขาให้กันยังไงอาตมาไม่ใส่รองเท้าองนี้พ่อพ่อ่พูดอะไรอาตมานานนึงคน้พระพื่งที่แท้ลึกลงไปเลยข้าราชอวาตมาออกจะนัดเลย แต่ไม่อยอมใส่รองเท้าอย่านี้ถือเคร่งข้อวัดที่ตัวเองทํามานะมันให้มองคนอวดดีเลยถ้าค <c oughs> ิดว่าตัวเองดีที่ว่าตัวเองแหน่นะยยนอย่างนี้นะแเราก็นึกก็ยกตัวเคียมท่านเพื่อใข่มเลยซ้าไปคือจิตตัวนี้เราไม่เคยเห็นมันเรียกว่เาเรามีอาจารย์ที่ดีกว่าเป็นผู้รู้มีอาจารย์ที่เคร่งคลาดกว่ามีอะไรที่ดีกว่านะ่ะไม่ยอมรับถึงแม้ว่ามันอาจจะ มีอะไรบางอย่างในใจว่ามีก็มีของดีเหมือนกันท่านก็มีของดีเหมือนกันจนนานวนนานเดือนมาปฏิบัติไปแล้วมันอย่างที่หลวงพ่อบอกมันค่อยๆคลายคลายออกคลายออกสิ่งที่เราเคยทํามาเหมือนแบบผู้ชายผู้หญิงชอบกันละกันพำพื้นพันนางมันหมายมันก็อารมณ์ที่มันแรงพอห่างกันบ้างอะไรมันเริ่มจืดออกเริ่มจะรู้ว่ายิ่งไปเจียวตอนหลังอุ๊แก่อะไรนี้่ ไม่ชอบแล้วเนื่องจา ก, ก่อนสมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทํากิจกรรมมาพวกมีวิเดิกนการพิธีมานะมากคิดว่าสิ่งที่เราคิดดีมันต้องถูกนะมีลึกๆมันเรามีความคิดอยู่ว่ามันปฏิบัติแล้วจะได้อะไรนะอ่เช่นไันเรียนรู้ต้องได้ปริญญาบัตรนี้ถ้าเข้ากลุ่มก่ต้องเป็นฮีโร่ในกลุ่มนะหึกว่าถ้าเราปฏิบัติต้องมีอะไรดีไว้คุยอวดข่มยมหน่อยๆเราก็นึกวิเดินกันอย่างนี้ มันเลไปพอไปเข้าสมารไหนก็พยายามจะจับจุดเด่นแล้วก็มามาให้มันเข้าเาตัวเองนะให้เราตัวเองเป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มเหมือนกันอันนี้เป็นนิสัยที่มีมาอาตมามีจุดนี้แรงมากเลยทีนี้มารับตัดต่อมาเอามาเกิดพังพ่อนี้ก็เพราะว่าแต่ก่อนว่าออกเที่ยวไปหลายแหง่งแล้วก็มีประสบการณ์ก็ที่เรามีประสบการณ์ที่ไม่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะพูดนะเพราะว่าตัวเองเห็นนะว่ามันพลาด จึไปนั่งมาเล่นกระสินเล่นไฟอย่างนี้เพ่งเพ่งเพ่งหอดหกสินงเทียนจงดับเลยไฟมันดับเลยทิ้งที่เราเห็นมันหลีเลยหลีดวงบอลนี่จนเหมือนไฟเล็กน้เล็กนะ่งนะมันเกิดเมื่อกัอนเราหลีเลื่อมีพลังนี้อะไรขึ้นมาข้าอย่างอย่างนี้นะแล้วก็เล่นพวกปลุกพระเวลาีเรื่องเราใครก็เอาพระอมาสั่นพระขย่อมพระโผล่ขึ้นก็วิ่ตีอะไรอย่างนี้เป็นมันทันได้เยยิงนะวิ่ง นี่มันมีแผลอยู่เลยนีเขาเขาตั้งใจไม่กัวนี่เราเตะเองนี่มันมันแปลกอย่างมันทําได้แต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่จะต้องทําผิดสีล้วนะไม่ดีแล้วก็ถือเครื่องอาหารดินอาหารนันกันเพราะว่าเราคิดว่าเราบางที่หลวงพ่อมันเมตตามันมันเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เราเราเข้าใจในส่วนที่ว่ามันมันน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดอันนี้ก็คงพูดได้ไม่ละเอียด นี่ในส่วนในส่วนหนึ่งคือความรู้ที่เรารู้มามีหลายครั้งหลวงพ่อบอกว่าคหน้าที่มันพูดจะรู้ก่อนไม่ได้ตัวนี้สําคัญมากพอไปฟังพันพูดเด็กครั้งก็ออกมาคิดว่ามันหน้าจะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้มันผิดผิดหลักการรู้ของแบบตลวงพอเช่นดีเชื่ อ, องนี่มีหลายครั้งเห็นเพื่อนทํ า, าม่รก็ัดระวังไม่ดีเราเคยบอกออแล้วงพอเพราะพ่อไม่เคยบอกว่าเราดีลแล้วพ่อบอกคุณไม่ดีจะเฮงถ้าแต่พูดดีจุดนี้เลย เห็นเพื่อนหลายอย่างให้บอกว่าไม่ดีไม่ดีมันผิดที่ไหนที่ไหนมาอย่างนี้่างนี้ท่านก็บอกคุณไม่ดูตัวเอง <c oughs> คือจะย้อกลับมนันี่ตเราแล้วว่าเราไม่ดีไม่ดีตัวเองอยู่เลยเราก็เลยห ล, หลังมามันก็เลยคลายๆออกมาเป็นกลางนี้แล้วก็มีหลายอย่างเช่นครั้งแรกมาอยู่กับท่านท่านให้อารมณ์ปฏิบัติฝึกานให้บอกให้ท่านก็บอกปฏิบัติรู้สึกตัวดีไหม <c oughs> ก็รู้รู้ก็ไป นั่งก็ไปยั่งกไปนั่งก็ไปนะก็ก็เจอมีเพลงนะเพลงของพุ่มพันจันทนะว่กระซ้ากระซ้ายอามาสิตัวเองก็ไปคิดว่าเออมันคงจะเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเพราะตัวเอคยเเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปอย่างนั้นนะทํามันแน่นมันปวดขึ้นมาเน่ยแน่นนะอกเครียดเครียดมากเลยแต่หลังรามาได้พระอาจารย์ถาวรช่วย ท่าบอกไม่ให้ไปเพ่งไปดูมันลึกไปให้กลับมาอยู่ตัวนี้นตื่นเงื่อนมันก็คลายออกคือเราต้องจะเข้าใจคําสอนท่านถ่ายใต้ความดีของเรานะจุดนี้เองอเขาฝากผู้เรียนด้วยเราต้่งจะเข้าใจประสบการณ์ท้ายใต้ความดีของเราเช่นเขาเขาบอกว่าอาสลับลีเป็นอย่างนั้นนะโรงพยาบานเป็นอย่างนั้นนะเราไม่เคยไปอย่างนี้เราก็จะคิดเอาจุดนี้จุดหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าเราปฏิบัติลองลอกแล้วบ้างแล้วนี่ พอท้างพูดจากนี้ไปสนามอห่วงนี้ท่านบอกจากนี้เป็นนี้ปากซอยไปถึงถนนเส้นนั้นเท่นั้นท่จะบอกเป็นระยะระยะไปถ้าเราปฏิบัติเรื่องนีเราคิดว่าเราถึงไหนอันนี้ชาติเลยใช่เราถึงปากซอยหรือเราหุมาอย่เป็นอย่างนี้พาว่จะเป็นอย่างนี้มันจะเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจแต่ถ้าเผื่อหลวงพ่อพูดซสูงไปเราสุดละเริ่มรู้ตัวเองว่าเราพูดนอนยังไม่ถึงนี่จะเป็นการสอบตัวเองก็ได้นะว่าเราอยู่ในขั้นไหนออารมณ์ขั้นไหน จุด น, นี้นี่รู้ธรรมะแบบบางพ่อมันจะต้องมีแบบประสบการณ์ในการจิตมันเห็นเห็นเห็นเห็นเหรือไม่เห็นเพราะว่าเราเมื่อกี้พอท่านพูดถึงเรื่องตัดเชื่อกอัตนาก็ไม่สามารถรู้ได้มีท่านพูดเปรียบเทียบคนตกน้าแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไหวยน้ําไม่ถึงฝั่งบอกคนตกน้ําขึ้นมากําลังไหว้อยู่หรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันเราจึงเข้าใจคําว่าโสดาปฏิมาขึ้นถึงอรหัน ต, ตผลได้ ความรุนแรในขั้นศี่ระดับปราโมทย์ความยึดถีในสักการะนิติความนินติกิจ๋าความลังเลสงสัยในมรรคปฏิปทาการปฏิบัติในขั้นหนึ่งมันตอละระดับนี้แต่ที่จะขึ้นเป็ระดับการระดับปฏิฆะระดับอวิชานี่มันเราก็ไม่สามารถอาจจะไม่ได้ลึกซึ่งกันแต่ที่แน่ๆมันจะเห็นความจิดจางของคือความยึดมั่นถึงมันมันกลายออกมันต้อพอเปรียยนทีย่กับน็ที่เราตะใบตะใบออกเรื่มคลาย แล้มีหลายอย่างที่ทําลายทําลายความมิตรที่จะมาจังเลยหลวงพ่งอคือท่านจะไม่ค่อยพูดกับเรานา น, านอย่างเช่นเราไปบอกให้มาเราอยากปฏิบัติเร่องนี้เลยคือพูดกับเราว่าเราควรจะได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วขอฝากตัวให้หลวงพ่อดูแลอย่างไรผมนไม่พริตติการอย่างนี้นะนนนะคือเราจะพูดดันองโลกมากอยากจะได้แต่ท่านกลับบอกว่าเฮ้ยผมที่ภาคุณตกหัวตายเ่ยากลับพูดกลับ คือถ้ามานานเรากลัวตายเราอยากจะได้อยากจะไปอยู่ในนิพพานอยู่อะไรที่มันสบายเลยเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ากลับไปกว่าทธิพันธ์มันตกเห้ยตายแนละ้วถ้าเป็นคนระดับอย่างนี้เมดศรัทธาไมนะ่พูดอย่างนี้คงหอบกดหอบบาดไปนะและหลายครั้งบางทีเรามันก็เกิดสภาะบางอย่างที่เป็นกําลังใจนะเราก็ขยันทํามุ่ญทำนี้แล้วก็ออกความคิดดังเหล่านี้นี้นน บางวันก็พูดคือนึก็พูดให้เรากพราะเรื่องมันเกี่ยวพันกันท่านบอกว่าคุณชื่อั์เดินการคุณน่ยที่นี่หมดนะมันหนักนะเราก็ขาดใจเออเดินการก็แบบเของดีนะต้องเชื่อมั่งตอเสียสละผิดถูกต้อต่อย่างนี้นี่ตามที่เรารู้จักเราเรียนมาแต่แล้วพ่อกลับมาบอกว่าเดินการของหนักเอคุณแย่ยังไงท่าไหพวกนักศึกษายงผมไม่อยากสอนเอาไม่จริงเพราะว่าไม่มีแต่พูดไมเอาไม่จริงะ รก็เออเราออจริงนะทำไมท่านบอกว่าเราออไม่จริงนะมนีันก็คือโกรธหลวพ่อน่ะโกรธนะเพราะเมาทำอะไรบางอย่างหลออะไ ร, รยงอะไรเหมือนกันนะแต่เมืตอนนั้นก็ตรธเหมือนกันทำไมพูดอย่างนี้แต่นันก็คลายเลยหลายครั้งอย่างช่ครั้งหนึ่ ง, งตรมามีโยมมาบ่อยนานนับแต่ใหม่ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใหม่มีมีการรบรวมหลายรุ่นธรรมาก็ช่วยหลวงพ่อตักถีเทปที่อะไรแล้วก็คุยกับญาติโยมที่ชวนมา อยู่ท่านก็มาบอกว่าคุณจสักเดือนธรรมดานะบอกอย่าขึ้นต้นไม้นะตกไม่จ็บนานอู้วววทนนานเลยคนนี้เข้าใจเรื่องมากเลยผู้อาวมาเคยเป็นมาฮาเรียนเคยผาเสียงผู้แทนเคยประเภทว่ามีโร่เก่าอะไรนะมาเจอหลวงพ่อบอกมันพูดสามหน้าเลยอย่าขึ้นต้นไม้นะตกไม่จ็บทนนานนะแมีนานเลยบ้า่ะถ้าจะให้กรลัใจนะแมย ธรรมดาคนเขาเลี้ยงคนไม่ใช่งานเขาใช้กําลังใจ่ดีพวกนี้เขาจะเลี้ยงคนไม่ใช่งานแต่ลวพ่อเนี่ยไมเียงเลยนะเอาจังๆเลยแล้วูดไหน้าคนเรื่องนะอย่าขึ้นไม่รู้กันเลยไหมเขาคนชอบขึ้นจนมาม่นยากซื้อเรองคนอื่นเนี่ยถ้าก็สัตรงๆเลยจะขึ้นมาตกกันเจ็บเนืรเป็นซิกเซนี้เร็วเจ็บน่าฉาบ่อยๆนะดยหลวงพ่อขนาดพอบ่อยอย่างมีครั้งหนึ่งนั่งนั่ง ก็เผลอนั่งมันช่เผลนั่งสงบจากความรู้สึกมันสงบลงกลงคืนเป็นอยู่สาสี่คืนมันสงบมันตื่นขึ้นมามันพิดตามมันรู้รู้หมดเลยอะไรมันรู้หมกคนยังก็แก้ความคิดเห็นหต่มันมีนัดมีอะไรตื่นเด่นเหมือนยิงไฟเด่นอยู่รู้รู้อยู่นานเป็นหลายวันไม่กลายบอกว่ากลุ่มพ่อจะสาวอีกเลยกลัวอีหลัสี่ห้าวันมันเป็นอย่างตอนดื่เป็นเป็นหน้ามันตื่นมากเลย ว่าใจเต้มันยิ้หมดเลยนะพอเข้าไปหาเขาบอกเขาคุณเป็นอย่างไรท่านก็บอกอน้าท่านบอกว่าความคิดคนนี่มันดีนะมันเป็นอย่นี้นะมันโกหกหน้าหรอคือเมื่อท่านทำลายแจกันเราทิ้งหมดเลยนะคือท่าไม่บอกว่ามันดีมันไม่พูดเลยแต่หลังเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นมันดับไปหมดแล้วเราเก็บมันมาแต่เมื่อคืนนี้ไปพูดให้เราฟังแล้วนะเราคือไปยึดถือมัน คือหนูไม่ไยึดมันรู้ว่ามันเสนอพระองคดีอยู่นู่นนี้ปีจีเกิดขนทู่ซ่ามันเดเออมันมันสบายที่บอกขั้นข่านไม่สนใจเลยขั้นกลับทุบไปสิ่งที่เราจะอยากจะบอกกันเองโดนก็ทองเง่นตอนมันไปพักอย่บ้านอยูมที่สุโขม์เดินอยูมืองวันแดดเปี้ยงมันเกิดเย็นเกิดแล้งให้ออกมายิ่งเดินยิ่งร้องไห้น้ําตาไหลตัวก็เย็นแต่ไม่ใช่ร้องไห้แต่เสียใจงดีใจนะเป็นดีน่าในจําที่หลวงพ่อแก่ลนชาวสิงคโปร์ได้ ว่เลิกปฏิบัติแล้วเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองก็นั่งลงผ้ามีนเปียกเนอะเลยก็ก็แก้ทอออกจากอรมได้นะคือรู้ว่าต้องแก้วิธีนี้มันรู้ฟังมาก่อนอย่างนี้ต้อพ่อบอกว่าให้จําไว้ก่อนก็แก้อารมณ์ได้ดีใจเพราอบอกว่าก็ทองผมไปหนุนคือทุกท่าก็ฟังจะชนมันนะเพราพ่อก็บอกว่าเอออย่าไปสนใจทํำไปทำไปนะมันแตกกับอย่างที่อื่นที่อทพอเราได้อะไรมาเขาจะยุยุเ ข, ข้าไปอีกนะ เป็นจุดอย่างที่มันแบงจ ะ, จะทํานยายเขาหมดเลยนะจุดเด่นมากอย่างนี้นะพี่ไม่เคยเจอนะอยยังใกล้ล่าสุดนนี่ผมมีครัง้งหนึงก็ไปบอกท่านผมเป็นอย่างนี้อันนี้เขาดีที่สุดที่เคยฟังนะผมเห็นอย่าง น, น, น, นมันดับอยงู้ตอนมันเกิดมันเกิดอย่างนั้นทํำไมมันไม่เกิดมันทํางนู้นคุยทางฟังไม่เคยท่านก็บอกว่าคุณต้องทาอีกเป็นปีนะ เป็นปีคือเราเคยฟังท่าบอกว่าสามปีอย่างช้าใหนึ่งปีที่บอกทั้นท่านบอกทำเป็นปีโอ้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันพิเศษสําหรับเราเพอไปถึงท่านท่านยอดสวนทันทีเลยอะไรนะท่านถ้าได้จาได้ท่านจะทําไม่ทำให้มันมไม่มีค่าเลยไม่มีค่ากิงทุกอย่างไม่มีค่าเลยอะไรที่เราเป็นวคัคซีาที่มันดีไม่มีค่าเลย คือ่อัตมากขีนภาพนะตอนงานมันเทียนมันเทียนทำมันคือทั้งพวกติดภาพสองพันวันมาให้สั่งนี้หมเล ย, ยคือคือไม่ไม่มีการต่อรองเลยนะประเภทถ้าทนไม่ได้ก็ไปเลยนะไม่งออะไเลยคือเราเคยํำบุญเลื่อนกันมาดีมาอะไ น, นะเช่นไปปักกฏที่จังทระเกษตไม่พูดอย่างนี้อย่างนี้อีกไม่มีคำชนไลดี่นี่ไม่ยจุดนี้แปลก แล้หลังสุดเข้าไปหาท่านเห็นทระท่านเรื่องทิศบอกหลวงพว่าที่บรรทายอย่า ง, งานอย่างนี้หลวงพ่อหนวัยมากนี่ชมมันเลแต่ว่าประจบก็ยอมนะทานรู้คุยรืราวรู้ว่าอามามาาไล้แห่งนะันนะเขาก็เคยบอกท่านท่านก็คุ ย, ยเรื่องอ่อยู่นะพออาะอาตมาไปนหน้าังใต้เดียวแหละท่านบอกว่าอู้ยิสุทธิที่มักรเรุ่งขนาดนี้เาบอกผม อ, อ่านนี่หมดแนละ้วเจ้เลือดสองขว ม, มันบอก หรือปฏิบับิสองควมอัตการเขาเฉยๆก็ทำนี่คือไม่ไมเส็ยใจนะท่านก็พูดแบบนี้อีกนี้ก็อยู่วันนั้นท่านก็บอกว่าพูดกันยาวขียมันไปแต่ผมจับไี่สองควมมันบอกอธตมารหลวงคุณหลวงพอ่อมันดีมารู้กัหลังสองควมนี่อะไรครับถามไหยท่านตอกเราคุณยอย่าพูดดยตัวเองสิสงงห็นว่ า, นานตอบง่ายเรากลับมาเลยคือธรรมดาเราคี่ท่านจะบอกเราไหมนะของสำคัญเราต้องบอกเราเนะพราะเราเหลวงคุหลวงพ่อถามหลวงพ่อไป คือท่าพูดสองครั้งว่าจะให้เราสนใจเร่องนี้ขึ้นมาเราก็หลงกลหลวพ่อหลอกแล้วเราก็ไม่ถามหลวงพอ่อให้มันตอกให้ไม่แต่ครับก็เลยออกกระท้มาเดนินคลั้แบบนี้เดนินบ่อยๆไม่มีครั้งหนึ่ ง, งจําได้ท่านพูดที่ศาลาท่านบอกว่าผมอีกไม่นานแนละ้วเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วให้หมากินไม่ให้หมากินแล้วเสื่อมนี่ประโยชนอะไรนะข <c oughs> ึ้นใะจเราเนี่ครับเทิดเทิดทูลท่านที้มา อย่างพระอาจารย์มั่นลูกศิษย์ลูกหาจะปั้นอะไรไว้ติบกระดูกไว้ทําให้เป็นพิเศษขึ้นมานะขาบ้ายถึงพระอาจารย์มั่นสังขารนัสตินั่งสมานุทิศถึงพระอาจารย์มั่นเข้าไปหาอาจารย์มั่นสอนในสมาธิอะไรต่งางๆฟังอย่างนั้นเก็บกระป๋องเพราะเขาทลายหมือนเลยถ้าเราได้รู้อะไรขึ้นมาอย่างหน้าเขาบอกว่าทําตัวไปจับความรู้สึกนี่เป็นฐานดูแค่นี้เองและจากการประมวน ทุกทวนดูแล้วนี่เลื่องจับจุดได้ว่าของเก่ามันดีอยู่แล้วสิ่งที่เราท่องทำคือให้เห็นของเก่าของที่มัน่นอยู่แล้วนี่ส่วนของใหม่เก็บออกให้หมดเลยจุดนี้เองคือล้างคือคุยให้จมันหยัดนะเหมือนกับเราล้างเทนะตื่นนอนก็เอาันเลยนะจับเพราะมันจะมีเรื่องไหลมาเหมือนเทปไหลไหลมาแล้วมันจะล้างล้างลางล้างออก แต่บางครั้งเราเราล้างไม่ได้เราเอาเช่บทกวีบทกลอนเ น, นี่ยทำปิดตัวนี้อยู่นานเหมือนข้าหลวงไปท่านตองมันเดินกลมจับความรู้สึกตอนนั้นเล่นประคำช่วยเลยจับอยู่สอ ง, งน้ํามันเดินเดินเดิือบออกมาปัสวะแล้วก็กลับเข้าไปท่านตองที่เชียงใหม่หนาวมากไปถึงปาท่า น, า น, นตอนเล่นหัวหนุ่นมตอนแรกไม่รู้แตนน่หลังมันรู้ว่ามันเป็นน้ำหยดใส่ไหล มันมึงมีอะไรมามาโดนแเรามันเย็นแล้วมันสะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอะไรเมื่อกี้คนมาชกเรามันคือไม่อยากจะบอกเหมือนหลวงพ่อน่ยเดินเดินเข้าไปในถ้ามันมีอะไรมันเย็นเย็นราบ้นตัวเลยมันเกิดยื่นข <c oughs> ึ้นมาตื่นขึ้นมาตอนนี้อาตมาฟุ้งเลยตอนนี้เขียนบทกวีนี่สร้อยทูนไม่มีแล้วฉีก็เขียนเขียนเขียนแต่งแต่งเขียนไปหมดเลยนะคนที่ไม่เคยมีบทกวีคนในญ่ใจก็ออกมาไล่บทกวีเขียนภาลนา ตอนที่ม่เคยสัมผัสล้วก็เปล่นไปหมดเลยเอ๊ะมันแปลกมากตอนอยู่นะว่าชีวันก็เปล่นอาจารตามดินทะเลดินเทพวกไม่ักศึกษาไม่โดนดิ้นมาก่อนไปเพราะฉะ้นมันเปล่นอยู่นะมันยังไม่ออกจากอารมณ์นั้นถือเทปเทปยอยู่ให้อาจารย์นักปวยแมงสาฟังเลยแล้วก็ชื่นชมว่ามันพิเศษมากเลยเทปชุดนั้นสมัยนั้นเดินไปดินทะเลอัดเสียงเทปกระพุ้นก็ภาวนาแล้วเป็นคล้ายๆกับปรยาชีวิตนะเราผ่านโลกมาเรามองโลกยังไง เทียบกับหลวงพอ่อท่านก็บอกว่าเป็นนิพพสนูนะถ้าเป็นนอนางก็บ้าวิปพาสไปก็คิดว่าตัวเองมาจากดาวคานนะมาจุดจดิตโลกนี้เพื่อค้นพบศจธรรมแล้วก็จะโปรดสัตว์โลกเป็นพระโพนิสัตย์ยิ่งใหญ่มาสร้างเวลนี้มันจะไปอย่างนั้นพราเป็นมาตเด็กแล้วฝันเห็นตัวเองเป็นขั้นชั้นนาลีถือคัมภีร์เที่ยวห่มเขาสอนคนนั้นเป็นมาตเด็กแล้วแต่ไป็นนเรียนมันกันไม่ได้นั่งข้างหลพ่อนั่งลงมันคำเคๆเลยก็เป็นมิิตจฉา เห็นพวกนักบวชแบบบวข้าโบราณกินเพื่อนี้มันอย่างนั้นมันเป็นยังไงพอเข้าไปปฏิบัติก็เห็นเป็นแค่เรื่องมันเป็นแปลกแต่ววะหลังก็ไม่เชิงก็ไม่เคยดูอย่างนั้นแปลกตัวเองพคนั่งมันก็จะเห็นอยู่เลยพอเคลื่อก็เห็นนะแต่พอมาทําอย่างนี้มันมีพอมีทุบอะไรมันมีทําให้มันมีแปลกมันกลับกันหมดเลยแล้วความตั้งใจเก่อนคิดว่าพอเราสร้างมารมีแล้วมันจะไปถึงจุดหนึ่ง ที่มันมันพอมาจับเดีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะความทุกอย่างเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกแล้วมันออกไปหมดเลยมันจะนั่เห็นลมพัดมาเย็นวิคลองอย้หรือพูดไปรู้สึกเหนียวคลองอย่าิพตาไม่รู้สึกปัจจุบันขึ้นมาตืมขึ้นมาไม่มีเรื่องอะไรมากเลยคือมันไม่คิดถึงเีื่างที่อื่นแล้วนะมันมันเง่วงกว่าใบไม้นึกว่าถูห้องนึกว่าสักพ้าอย่างนี นี่มันเขาเอาง น, นมันเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่มาชวนมันมันเริ่มเห็นแต่ก่อนสงสัยมากมีตกจาามากสงสัยถามมือถานิ่งคือว่าหลังมาไม่ค่อยให้เข้าไปหางพ่ออะไรแต่ก่อนไปอุปถาท่านหมดท่านไม่สบายหลังมาท่านบอกว่าผมแข็งแรงนะท่านบอกคุณคุณไม่ต้องมาช่วยผมผมก็คิดกับที่อื่นที่อจะมาอต้องไปเลือดไปทำทุกอย่างเพื่อเป็นวัดของพระแต่ก็วงพอมให้เรา คุณคุณไปทําหน้าที่เองคุณคุณผมแข็งแล้วฮะท่านลับบอกอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่สําคัญกว่าการมาเทกระโทนนั่นหละที่คุณไม่มีกระโถนไม่มีนะที่มาจากประสบการณ์แ ล, ล้วอย่างทำให้คิดว่าคุณคุณนีคน้คุณ เ, เป็นอาจารย์ที่นําทางเราได้ไหมเงี้วเคยไปคุยท่านอาจารย์ที่สวนมู่คุณคุณพิซ่าแต่คุยดังนี้รู้สึกท่านยอมรับมัน ยนแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อเทีคือยบอกมามาท่า น, านอยูคุยมือท่านวหลังกับค้งปูนใกล้มากเลยหลวงพ่อเคยบอกแล้วานบอกเลยไ้คุยท่านอาจารย์ท่านบอกท่าก็มีท่นท่านเดินมายังไม่ไพูด ต, ตั้งนาะท่านก็บอกว่าเออผมอาจารย์ยังไม่จบให้ทําต่อไปท่านก็บอกแล้วก็ท่านบอกว่าชีวิตที่เราอยู่ก็ให้ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะต่อไปชีวิตเรามีหน้าที่ช่วยคนมีความสุขถ้าเปื่อสามารถช่วยเขาพ้นทุกข์ได้ก็ยิงดี คือมันเข้าหลักสติประฐานชัดเลยแล้วก็ตรงกับโมปโตเปะเลยยิงแล้วก็ยิงได้มาลูกเจริตัวเองคงคงคงไม่ไม่ไปทางตำรามากนะก็เลยรับประโยชน์จากหลวงพ่อที่สวนมุกได้ได้มากรู้สึกว่าชอบอย่างนี้ก็เลยปฏิ บ, บัติอย่างนี้คือประเภทมีคำหนึ่ที่ที่มีชอบพูดกันใหม่คือคำว่าหายพยศเ น, นะพี่ถือดีอวดดี ถือดีนะนี capaz, no any anymore anymore. ่ถ้าตองนี้ไม่ลงนะยากนะเพราะการรบุกูบาจานจะมีตลอดเวลาเลยเราก็ยังแหะนะื่อทีไปเทศกับหลวงพ่อฟังพ่อไม่เห็นมีอะไรเลยเราพูดมากับดีกว่านะเป็นเหมือนกันนะเป็นไปยังไปขอขั้าจุลานะไปศกษามาไปเป็นเรียงพระเอาเรียงพระหลาพ่อไม่ได้พูดอะไรเลยยังไงเม่อ้าก็ไม่เอะนะแลวก็อนู้ๆมานะคุยกับองค์ไหนก็ได้ให้บอกนะนี่คือว่า คือเคนิคการสร้างบากาศไม่มีนะจิตเราจะอย่างนี้อยู่เลยถ้าถ้าเราไม่ทําลายตรงนี้นี้คือองค์ธรรมของพระอริยห้สูงถ้าไม่ทําลายจะมีอ น, นี้มานะไปยากนะไปยากมากคือถ้ามาไปยากคือมันไม่ไปอารมอื่นนะมันติดอยู่แบบว่ามันเข้ามาอารมณ์ น, นี้มันก็อยู่ที่ตรงนี้เองมันอะไรนี้ไม่ตกเหมือนแบบทั้ก่อนเคยมีเรื่องอย่างเช่นเรื่องแขนมบาดอย่างนี้นะคือเราเกี่ยมบาดต้องพยายะนี้ ถ้ามันไม่ยอมทิ้งตรงนี้มันมันมันก็จะมาติดอยู่ตัวนี้นี่อีกพอทิ้งแล้วมันก็ไปเลยมันก็มาติดอาธนาอีกทีนี้เพราะมันถปฏิบัติมาอย่างนี้นี่แล้วมันก็สวยด้วย้านี้อาธนะมีมันสวยนี่สวยเราคิด่ามันดีแล้วยิ่งครูบาจารเป็นที่ยอมรับของผู้คนยันสูงอย่างนี้เราก็คิดว่าดีอย่างนี้เราก็ยึดถือมันยึดไม่รู้เรื่องเรายึดมาเองที่พี่เจ้าตัดว่าญาคารี่ไปจับมันแน่นมันมันบาดเนื้อ มันเหมือนกับป้ามาอยู่ที่นี่มันมาฆ่าตัวตายวแล้วน้อยแล้วน้อยพอวางยาตายยาหรือว่าตอนตอนที่เกิดเกิดร้องให้เกับอุบัติปฏิที่ขึ้นมามันมันเกิดความู้นึงว่าปฏิบัติธรรมมันต้องโยคอหมองโยงคอต้องโยงคอยมันอ้วกออกมาไม่รว่ามันกินอะไรเราเากินอะไรก็ไปก็ไม่รมันอ้วกออกมาให้หมดเบลนตาเราไปเห็นเบลนตามันสวยออกมาใส่มันเกิดเป็นน้ำตาสีขึ้นมา เรก็จะเห็นโลกเห็นชีวิตภายใต้สีที่เมันตาแล้วเราไม่ยอมทิ้งเรื่อยๆนะแต่ถ้าถอดแว่นตาออกเมื่อไหร่นะก็เห็นของจริงจุดนี้เขั้นแรกๆที่เราปฏิบัติที่ที่ที่ศรัที่คว่าเป็นศรัทธาจุดแรกคือเรื่อยู่ตรงนั้นเรืตรงตรงตรงก๊อกน้ําตรงมันอยู่ตรงการมันมาซ่อนจังหวาไปอย่างนี้ทำไปประมาณเรือนกว่าแล้วนะเรียนกว่าแล้วทำไป คนมาสุบรีนะว่านั่งตรีผู้หญิงเขามาขนทายเราว่าก็ศึกก็เรียนมานะดื่มไม่ดีหมากไมดีเวลาประเทศนี่ก็ขู่โยมที่สุดเลยโยมเชี้ยวมา้เห็นควายนลตอนยไปคือนควายเรามแล้วดื่ๆมันเชี้ยวหมากควายมันเชี้ยวเอียงอย่างนี้เหงอตัวกันใครหมากแล้ทานบางเห็นลัวนะฮะธรรมาเทศนพูดตรงี้ตัวที่มานี่ยจะโยมกลัวเราทำอย่างนี้มากางสุบรีมันเกิด ทีมองว่าเราพอเราไปจัดเราก็ไม่วาล้วก็ไปว่าเขาอื่นเ้าหลายหลายอย่างนี่เป็นอีกอย่างพอไปเห็นมีข้ามีสายเก่ามานี่ยืนท่าเนี่ยนั่งเอิ่มเ่มันจะเข้านอนแล้วแต่ว่าจะเข้านอนเนี่ยจะเข้านอนนั่นตอนนั้นยืนท่านี้จำแนงเลยพอตายเลืไปเห็นเขาเขาสู่บริ่มันเหมือนกับมีอีกคนหนึ่งมันยื่นออกจากร่างอนตมาเนี่คืออาตมาล่ะุบไปละยุบยุบไป ดาโยนใหา่เลยว่ะสูบบุรี่ยันไม่ได้ต้นใหญ่เลยแต่บังเอิ้มันฟุกในช่วงมันดิงออกไปมันมีตัวหนึ่งขึ้นมาผุดขึ้นมาทำแรงมีคนหนึ่งกระเจิงเได้ป่าเด็กกันน่ะเกิดมีสมุยพ่อนก่อนชักหลังมันมาเสื่อมมาแล้วเด็กมันเลยตายเด็กไม่เป็นอะไรอุปนันนี้มันคืออะไรเามันวิงไปพอตนี้ผุดขึ้นมาแล้วมันแกออกไปเลยเรื่อยนเียไปเลยไม่เล้ยวเลยแล้วมันก็หยุด ดวก็มาเรื่องโอ้มันมันเล่นตรนี้ที่ยวเรื่องเ่นอารมณ์รูปน้ำฐานรนี่มันไ็่ทิ้งฐานไม่ออกจากร่างเลยนะมันก็ไปเริ่มมีโทรศัพท์ขึ้นมโอ้มันเกิดไรปนอย่นี้คนเาสูญหรารู้เรื่องเลยโอ้มันสมุทไยเป็นอย่างนี้ทุกปอย่างนี้แล้วมาต้องทอย่างนี้เข้าใจขึ้นมาอย่างนี้มีใจปีตินะเกิดปิติเดินยงกลมขยันนะกลมองต้องตอนนั้นคุณจาป่าอยู่นไะเกิดปีติขึ้นมาอยากจัดแจงตีละครั้งทำเองหมดนะเป็น ทมองเป็นเจ้าว่าซนซนขึ้นมาจะเวลาน้อยขาดไหนเกิดท่าที่มาน่ะา็ทไมมีตางไม่ได้จะต้องมีผ้าเช็ดเอาผ้าขาวฉีกแจกแจกไปแล้วไม่มีใทรทำด้วยเฮ้ยไหวอย่างนี้เกิดขึ้นมานีนวี้ตัดเติแบบนึงนั่นเป็นเวลานานกว่ามันีะค่อยๆคลายขึ้นมาไปบอกวพ่อมันเป็นอย่างนึงหลพ่อบอกเออมันตกมากเลยฮะเฮ้ยคือตั้งแต่บ้านคงจะบอกอดีๆนั้น เไม่พูดฮันดไม่พูดอย่างนี้พอไปบอกเล่าลงให้ฟังเขาบอกแต่แล้วตบหน้าแล้วฮันบอกคือจะพูดภาษาในรุ่นเขาใรุ่นเขาคงบอกว่าอ่าช้าไปต่อยละพี่นายช้าไปแล้วคือสังขารปุมจิตนะทีนี้นหลังมาก็เลยเข้าใจเป็นลาดับขึ้นมาถ้าความรู้สึกเด่นขึ้นมามันจะเห็นสติเริ่มเด่นขึ้นมาเข้าองค์พทธชงเก็บเมื่อเราเกิดขึ้นเห็นธรรมมันวิจัยตลอดเวลาเลยมันเห็นเข้าใจ ความคิดเกิดดับคิดประเภทอห่นั้ดับหมดความคิดทุกเรื่องไม่ใช่ตัวจิตจิตจิตที่คิดนี้ไม่ใจิตแท้จิตแท้คือผู้รู้คือยื้อย่างนั้นนะ่ารรู้ตอนเลื่อนปฏิบดับหลังแบบเหมือนกันเลยเกิดเนื่อนของจิตที่มันเป็นคิดนี้แบมันมันเปลี่ยนเรื่ยเกิดดับเมื่แต่ราคาราคาเกิดลูกมันจะลงทางใต้โทวสะเกิดลูกมันขึ้นลงบนแรงรูทางมันเมื่หะเกิดนี่มันมันอ่อนในทุกตัวเลยมันขี้เกียจมันมันจะรู้ทางมันพ่อบอกว่ามันจะ หาทางไปอะนะโอ้ทามันต้องมันต้องต้องซู้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปอย่างนั้นเราเกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาแล้วเราก็กลับมันตรงนี้กาที่เรากลับมาอยู่ตรงนี้ให้มันชาตตอนนั้นมันก็จะจางไปโดยที่เราไม่ต้องไปคิดนึกแก่มันวิธีอย่างนี้น่ะไม่สึกว่ามันมาอีกแล้ก็เห็นอีกมันก็คำว่ามันถูกกูนะเหมือนกับปตะธานคุยคุยกับโยมอะเหมือนกับเนเด็กเราเล่นจั่อีกัน มีสองคนสามคนคนไหนถูกจะเอ๊งตายอันที่เลยนะคือพอมันปิงปุ๊บมันถูกเพ้นมันก็หยุดหยุดหยุดไปย่งนี้แล้วจุดที่มันเริ่มคลายมันจะเห็นตรงที่ว่าพอเราไปเจอกับสิ่งเก่าความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไป แ, แต่มาดูความเห็นว่าถ้าเรากล้ากล้าที่จะทิ้งสิ่งที่เรามีอยู่นี่เราจะค้นพบสิ่งใหม่แต่คนไม่ไม่ทิ้ง พอปฏิบัติก็หวังทจะเอาสิ่งต่างมามาให้ตัวเองเช่นพอปฏิบัติศีลสมาธิขึ้นมามันมีอัตตาอยู่แ บ, บนเหมือนเหมือนกับเราได้ยิ่งได้แค่ขึ้นอุจจาระสมาธิแบบนั่งหลับ ต, ตายนะก็เป็นฮีโร่เป็นเกจีได้นะที่มีคนทักคนไม่ไม่เพลียพลาเนะท่าไหร่เลยคุยธรรมะนี่ฟุ้งไปเลยนะอธิบายเรื่องตา่างเคยเป็นเคยออธิบายภาพเมื่อกี้อธิาพากของเศีนอธิบายเก่ง